อ้าวนวัตการค่ะหลวงตาเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าเวลาที่สูงแล้วมันปรุงคิดขึ้นมาแล้วก็เอไม่ควรจะไปให้ค่าควรจะปล่อยเห็นมันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทําได้ยากส่วนตัวค่ะก็คือว่าเวลาที่มันปรุงความเป็นอกุศลขึ้นมาค่ะมันจะไปให้ค่าแล้วมันก็จะไม่ชอบนานๆทีถึงจะเห็นว่ามันเป็นสังขารแล้วมันก็ ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะมันจะมันจะอดไม่ได้ที่จะไปให้ค่าอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่มันเป็นอกุศลนะคะมันมีวิธีที่มันจะที่ที่มันที่มันจะแบบทำให้มันมันเป็นกลางได้มากขึ้นไหมคะกับกับอารมณ์แบบนี้ค่ะอยไปอย่าไปปฏิเวนแบบนั้น เราไปแบบนั้นมันยึดถือเราพยายามจะให้มันเป็นกลางรู้รู้ให้มันเป็นกลางรู้ให้มันเป็นกลางถ้ามันรู้ของเราอันนี้มันพยายามได้อืมันพยายามได้อืมันมันเป็นกลางเราก็แค่รู้ไม่เป็นกลางมันไม่เป็นกลางเราก็แค่รู้ไม่เป็นกลางไอ้นี่แหละคือรู้แต่ถ้าเราพยายามจะให้รู้เป็นกลางอ่ะอันนี้มันพุงแต่งแล้วอย่าหนึ่งนะอันเนี้ที่หนูพูดเนี่ยมันอย่างนี้ไอ้ที่หนูพูดเนี่ย เออโทรนี้ต้องดีเหมือนกันแหน่คือ พ, อพอหนูหนูหนี่พูดก่นอนหนขึ้นได้ถ้ามันมันมีกิเลสแล้วเนี่ยมันมีกิเลสล้วเนี่ยเราจะเป็นรูปซื่อไม่ได้นะเราจะไป็รู้อยู่เฉยเฉยไม่ได้มีกิเลสต้องเกติเด้าเล็ดติโกเลยต้องเกติเด้าเลยอ่ะรู้ไหมเกติเด้าเนี่ยถ้าจะคุณนออาหลานกลางกรุงเนี่ยเนี่ยถ้ามันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเกติเด้าคือต้องมึงอยู่กูไม่ได้มึงต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยต้องจัดการเลยต้องทํำยังไงก็ได้โดวยวิธีไม่มีรูปแบบอ่ะ คือต้องให้มันกระเด็นหลุดออกจากใจเราไปโดยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปทันทีถ้ามันเป็นกิเลสนะไปคิดปรุงแต่งที่เป็นกิเลสเข้าตาไปเห็นไปไปไปพูดไปปรุงแต่งต่างการคิดต่างการพูดการกระทำเนี่ยไปปรุงแต่งที่เป็นกิเลสตัณหาเข้าเนี่ยเราต้องแกดดิ้งเราเลยคือต้องกาจัดทันทีต้องเตะมันให้กระเด็นทันทีต้องทํำยังไงก็ได้มึงอยู่กูแผลมึงต้องไปเดี๋ยวนี้เลยจะทํำยังไงก็ได้ต้องต้องทันทีทันใดเลย ถ้าเป็นกิเลสเราจะจะไปรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉไม่ได้นะกิเลสมัรู้เฉยเฉยไม่ได้นะกิเลสต้องจัดการไปเลยเนี่ยคือลุกไปเลยลุกไปทํานู่นลุกไปทํานี่เลยอถ้าเป็นกิเลสตัณหาเนี่ยถ้าเป็นกิเลสตัณหาต้องลุกไปเลยลุกไปถ้าเราไปเราไม่จะไปเราเนี่ยมีความทุกข์ใจละหม่นหมออเราจะมัวไปนั่งดูอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะออืเราต้องเด่งดึงลุกไปออกกําลังกายน่น ไปออกกาลังกายลุกไปทําอะไรน่นไปทําเพลงก็ได้อืเดี๋ยวจ้าวอาจารย์สอนใน้ร้งเพลงไม่ใช่นะคือคืออะไรก็ได้ขอให้มันไล่รูปแบบไล่กระบวนกาคือต้องแก้ไขปัญหาไปก่อนตอนนั้นเนี่ยมันไปลักษณะที่มันมันมันมันหลงแล้วมันหลงไปเป็นมีอารมณ์ร่วมจนแย่แล้วหลงไม่มีอารมณ์ร่วมถ้าเราหลงไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรต้องต้องแก้ดีเดีวต้องทันทีเลยต้องเตะมันกระเด็นจัดการมันด้วยวิธีใดก็ได้ต้องให้มันหลุดออกไปจากใจเราให้ได้โดยไล่รูปแบบเลยไม่มีมาต้มัวนั่งคิดกวนว่า อะไรนะไปคิดคนสูตรเราต้องมาทําอะไรให้มันชา้ชาช้าอย่าไม่ทันมาแล้วไม่ทันกินเราต้องเก็ตดีดาวไปเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าพอมีกิเลสแล้วก็มันซึมเศร้าหรือว่ามันมีอะไรอะไรก็เราซึมเศร้าแล้วหนอ่อเรามีราคาแล้วหนออะไรเงี้ยออไม่ทันกินหรอกต้องพั่วเลยเออต้องพั่วไม้หน้าสามเลยเ อ, อือ ไวหน้าสามเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นต้องพุ่งเลยไม่ใช่หว่าเราไปรู้จะาช้าเฉยเฉยรู้ซื่อซื่อไอ้ที่มันรู้ซื่อคือขันห้าคือขันห้าแล้วก็ตอนที่เราเนี่ยไม่มีเรื่องกระทบอะไรที่ไม่สบายใจแล้วเราก็เอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเราอยู่เงียบไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาเงียบๆนะไม่ถึงว่าเราอยู่กับของเราเงียบๆเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะคือให้มีเวลาอยู่กับตัวเองเงียบ แล้วเราก็ไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจเราเราก็แค่สังเกตให้ดีว่ารู้เรานี่มันเคลื่อนที่ได้หรือมันเคลื่อนที่ไม่ได้เพืเกตอยู่แค่นี้เนี่ยถ้ารู้ของเรามันเคลื่อนที่ได้มันปรุงแต่งได้มันคิดมันวิเคราะห์มันมั่วได้อันนี่ยเราก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดียวก็รู้ของเราเคลื่อนที่ไปคิดไปนึกไปตึกไปต่อไปรุงแต่งได้เอาอันนี้เอาใหม่ใหม่เอใม่ย่างเงี้ยเราก็ทํำเราอย่างนี้เนี่อเราเราอยู่คนเดียวมีไวล้างเราอยู่เงียบๆก็เดี๋ยวเราก็ต้งเก็ตเห็นตรงเนี้ยอันนี้คือขันห้าหรอไม่ขันห้า อะไรที่ปรุงแต่งได้เนี่ยที่รุ่นมันมันหลงไปปุงแต่งเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นขันธ์ห้ามันไมได้เป็นเอ่กิเลสตัณหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะปล่อยวางขันธ์ห้าเราจะปล่อยวางขันธ์ห้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกิเลสแต่เป็นกิเลสต้องจัดการเลยกําจัดเลยถ้าเป็นกิเลสตัณหาต้องกำจัดทันทีแต่อันนี้มันไม่ได้กระทบอะไรที่เป็นเรื่องกิเลสมันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าที่เราเราก็มันไม่เลยไปปุงกิเลสอะไรแต่ขันธ์ห้าเป็นชีวิตที่มันมันเคลื่อนที่ได้รูปเวทนาสัญญาตั้งขาาญณมันนเคลื่่อทีได้ กายเคลื่อนที่วาจาเคลื่อนที่จิตเคลื่อนที่กายเคลื่อนที่วาจาเคลื่อนที่จิตเคลื่อนที่จิตเคื่อนที่ต่อโมเด็งก็ยิบยในใจน่ะก็สังเกตว่าเราปล่อยวางไหมที่มีอาการที่ยิบยิบในใจเราเรารับรู้ในความปล่อยวางปล่อยวางเรารู้วยความปล่อยวางไปเรื่อยๆป่อวางที่มันจป็ิบยิบยิบในใจไปเรื่อยๆเลยๆนะอ่แต่เผอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เอาตัวเราไปเป็นคนคิดละเอาตัวเราไปเป็นคนคิดเอ้ยมันอย่างงี้หรือเปล่ามันถูกหรือผิดอะเรื่องผิดหรือมันถูกเอ้อย่างม อย่างนี oh, ้เ uh, อ๊ะอย่างงอย่างนี้อ้าวเผอแพเดียวอ้าวนี่ไปเป็นคนคิดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอามหเอามาเมาแล้วก็อีกลก็สังเกตอยู่เงียบๆอ๋อมันก็คิดคิดนึกๆอ้าวเพิเอาตัวเอาไปคิดอีกละเผอ่มเพเดียวเน่ยเอาตัวเอาไปคิดอีกแล้วแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใเรื่อยไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ช้าเก่งแล้วก็สังเกตเจ้าตั้งเออเว้ยมีแต่ความคิดแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนมีแต่ชุกชุกชุกชุกวตน ไม่แต่อาการของจิตไหวๆๆๆๆแต่ผู้รู้ไม่มีอาการไม่ไม่ปรากฏตัวตนเออพอได้เจอสักทีนึงเห็นเเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยเห็นแล้ยเห็นเลยเห็นเลยไปแล้วผมเป็นอย่างงี้เองนะผเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้แป๊บเดียวเนี่ยหลงแล้วหลงหลงก็เป็นคนปรุงแต่งได้อีกแล้วเพิ่งทราบว่าอ้าวทำไมหลงว่าเป็นคนปรุงแต่งต้องมไรลวะเนี่ยเอาไปใหม่เอใหม่อยู่อย่างงี้นะเดี๋ยวเก่งแป๊บเดียวทำอย่างเงี้ยไม่เริมเวลาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวนั่นแหละเก่งแล้ว ต้องตต้องแยกให้ออกนะถ้าเป็นกิเลสตัณหาต้องกําจัดทันทีต้องเคียมันกรเด็นออกไีเตะมันก็เด็นออกไปทันทีคืออะไรก็ได้ต้องเร็วที่สุดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของขนันหน้าตามตปกติแล้วก็สังเกตดูว่าผู้รู้ของเราเคลื่อนที่ได้ไหมมันไหวตัวไหมอะไรถ้าไหนมันไหวไห ว, ว, ว, วไปในจิตถูก ป, ปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปต้งถูก ป, ปล่อยวางหมดแล้วมันก็จะไปพบผู้รู้ที่ไหนเคืนทีแต่ส่วนใหญ่มันจะมันจะเผลอเอาตัวเราไปนั่งคิด คือไม่มีเรื่องอะไรกระทบใจแล้วก็เผอตัวเราไปนั่งคิดนั่นแหละแทนที่จะไปรู้มันไปคิดแม้แต่คิดสุกจิตเนี่ยอเดี๋ยวนี้มันถูกมันผิดว่ามันผิดมันถูกทำยังไงว่าเราจะทําให้มันถูกมันคอยผิดเรื่อยเลยอะไรเงี้ยอ้าวพอมีสติขึ้นมาอ้าวมันทำไมไปไปนั่งคิดอยู่เนี่ยเอ๊ะไหนบอกว่าผู้รู้มันคิดไม่ได้ผู้รู้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ทําไมเราเรากลายเป็นผู้รู้ที่เคลื่อนที่ได้หมดเลยเราไม่เป็นผู้รู้เลยนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องถูกปล่อยวาง แต่ส the oh. anyway? okay. like ิ่งใดที่เคลื่อนที่ได้คิดได้นึกได้ก็เพื่อทได้ไหวตัวได้ต้อต้องเป็นสิ่งสิ่งที่ถูกปล่อยวางหมดแต่ทำไมอ่ะเอาเอาตัวเราเป็นตัวเคลื่อนที่วะเนี่ยเอาเผลอเอาตัวเราเป็นตัวเคลื่อนที่อีกแล้วไอ้ทาไมแบบนี้วะเอาใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ยังเงี้ยให้อภัยตัวเองเอาใหม่เรื่อยเลยเอาใหม่เาใหม่ให้อภัยตัวเองเรื่อยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะมันเอาตัวเราเอาตัวเคลื่อนที่เป็นตัวเราหมดเอาตัวคิดวปุงแต่งเป็นตัวเราหมดก็คือเราเป็นรู้ตัวเราที่มันคิดที่เป็นปรุงแต่งอยู่ๆเพเผลอเอาตัวเราเป็นตัวเคลื่อนที่เป็นตัวเราได้อีกละ เอาตัวที่ถูกรู้เป็นตัวเราเรื่อยไปเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะเอ๊ะบางทีก็ว่ามันมึงหลงแบบเนี้่มาหลายชาติแล้วยังไม่เข็ดอีกไงออไปเอาไอ้ตัวที่เคลื่อนที่ได้เป็นตัวเราอีกแล้วอึ่มันน่าเกลกะโหลกเนาะทำไมไมอย่างเงี้ยแล้วก็ดีเราก็ดุตัวเราอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมไปเอาไอ้ตัวที่มันคิดได้ที่มันปรุงแต่งได้ตัวนี้เป็นตัวถูกรู้ไม่ใช่เหรอทําไมไปเอาไอ้ตัวที่ถูกรู้เป็นตัวเราอีกแล้วเดี๋ยวเราตุอเอเอไปคิดอีกแหละเอาตัวเราไปนั่งคิดหาคุทางแบบเนี้ยลูกต็็เปน่ะ พวกไปอย่างเงี้ยก็สอนพวกเราอย่างงี้ยนะแน่ล้วก็เออพอวางาวางาวางหมดไปเลยๆเลยเลยมันก็เออจบกระท้ายทุกอย่างมันคิดเองแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอย่างมันคิดมันนึกมันตึกมันปองมันเป็นอะไรก็ตามแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏมีแต่ปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็คือถูกใครถูกรู้ก็คือตัวเราเนี่ยแน่มีแต่ตัวเราที่ถูกรู้ <vous> like, <tähän? S 2> เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกยังไงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏไม่ปรากฏนั่นแน่ไอ้ผู้รู้ไม่ปรากฏนั่นแน่ นั่นแหละเวลาตายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดดับได้แตกหนักหมดไอ้ผู้รู้ที่ไม่ปรากฏ น, นั่นแหละอันนั้นแหละมีแต่ผู้รู้ที่ไม่ปรากฏที่ไม่เกิดไม่ดับหายตัวไป